เมื่อ20ปีให้หลังหลวงพ่อเดินทุดงเที่ยวทุดงมาอำเภอนายูงปี2000ปลายปี2516ต้นปี2517นะถ้าจะว่าไปก็20ปีให้หลังดูแล้วดินฟ้าอากาศ รู้สึกเปลี่ยนแปลงกว่าสมัยนั้นเพราะว่าคงจะภูมิมีประเทศแต่ภูมิทัศนภูมิประเทศมันเปลี่ยนแปลงสมัยนั้นต้นไม้ในเขตอำเภอน้ำโสมนายุงอยู่ในวัดของเราอย่างไงเป็นอย่างนั้นอาจจะกว่านั้นอีกเพราะว่าวัดของเราก็ถูกตัดไปก่อนหน้าที่ พวกเราจะมาอยู่ก่อนที่พวกเราจะมาอยู่ที่นี่ไม้ใหญ่ๆประเภทไม้ที่มีคุณค่าอย่างตะเคียนทองป่าดูมะข่าอย่างเนี้ยกระโดนตัดออกไปหมดแล้วพวกเราเห็นแต่ยางแต่ตอของมันยังเหลือแต่ไม้กระบากตะแบกยางไม้ยางบ้างก็รู้สึกว่าห่างแต่ว่าก่อนที่จะมาสร้างวัดนะ่ะ ป่ารงพงไพมาแต่บ้านนายุงจนถึงบ้านเพิ่มคิรีวงกฏเป็นป่ารงพืชเดียวกันทั้งหมดเพราะนั้นอากาศในยุคสมัยนั้นยี่สิบปีให้หลังอย่างที่ว่านะ่หลวงพ่อเขามาอยู่ปีสอง6้าสิบกก็มาอยู่ที่ตีนเขาภูก้อนนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรห่วย ห้วยคัวห้วยทับครัวห้วยอะไรเน่ยตีนภูก้อนห่างจากภูก้อนไปประมาณสักสองกิโลกว่าๆนะจากปรานคำไปนะพอไปเขาไปปักกดอยู่ใกล้น้ำอยู่ด้วยกันสามองค์แต่อยู่ห่างกันนะอยู่คนละมุมกันเลยว่า ง, งั้นห่างกันแต่มันหนาวมากในช่วงนั้นถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณสัก ปลายเดือนธันวาเนี่ยปลายปลายเดือนธันวากลางคืนเนี่ยรู้สึกน้ําค้างเนี่ยตกโผ ล, ล่ปรับโผล่ผลับเนี่ยเขาว่าแบบเขาว่าปล า, าปะปะต่างนะผิดปกติเขอว่าเดี๋ยวนี้มันน้ําค้างมันไม่ค่อยมีว่างั้นแต่แต่สมัยนั้นน้ําค้างเนี่ยมันหล่นลงมาเหมือนกับหาบฝนแล้วงั้นอพอดึกสงัดประมาณชักสามสี่ทุมเกินไปแล้วเอาล่ะท่นนี่หนาวเหน็บเข้าไปน้ําค้าง หล่นตกลงมาพลับพลับพลบพลับไอ้กรดที่เรากั้งเพราะว่าเราไม่มีลังคาเนคือทําเป็นเสาสีต้นขึ้นมาประมาณสักห้าหกสิบเซนเนี่ยพอค่อยๆแบบพอเดินไปแล้วก็ก้นขึ้นไปนั่งได้ง่ายๆอย่างนั้นแทะไม่ได้ปีนไม่ได้มีบันดงบันไดอะร้าน่ะแล้วก็ไม้ฟากประมาณสี่หรือห้าแผ่นไม้ไผ่สับ ปูกับพื้นจากนั้นก็นมีเสาขึ้นมาสอง ม, มุมทะแยงกันจากนั้นก็นใช้เชือกจะเดียงเชือกราวตากผ้าที่ถือติดไปด้วยนะประมาณสามสี่ห้าหกเมตรนะต้องประจําย่ามเอาไว้เวลาไปที่ไหนท่า น, นก็นขึงใส่ต้นไม้แล้วก็เอากดขึ้นไปแขวน พอแขวนเสร็จแล้วก็กางกดลงมาแล้วก็นี่นะเวลาฝนตกเนี่ยกดนี่เปียกหมดว่างั้นแอะแล้วก็ไหลเป็นทางลงมามุงอ่ะมุงมุงกรดไหลลงมาเป็นทางเปียกหมดเลยมุงมุงกรดว่างั้นมันน้ําค้างแรงขนาดนันแหละว่างั้นแต่แต่ว่าความหนาวนี่ไม่ต้องพูดถึงหนาวจริงๆริงว่างั้นแต่ แต่ตอนหัวค่ำเนี่ยพออาบน้ําอาบท่าเสร็จแล้วกว็เดินยงกลมบ่ายสามสี่โมงเดินโยงกลมแล้วงั้นแต่พอค่ําขึ้นมาก็ขึ้นไปกักุฏิไหว้พระพอไหว้พระก็รีบนั่งภาวนาเลยพอนั่งภาวนาประมาณชักสองสามสองทุม ก, กว่าเกือบสามทุ่มนอนเลยรีบนอนมางั้นแต่อพอนอนเสร็จแล้วนี่ผ้าทั้งหลายทั้งปวงที่ขนที่ เอาทุดงไปด้วยเนี่ยถุงบาดบั้งแถุงบาดบ้้งผ้าปูนั่งแตีวอนกับจะเอาไปได้กี่ผืนเพราะมันหนักใช่ไหมกับผ้าไตรั้งนั้นเองสามผืนกับผ้าสบงผ้านุ่งผ้าอาบน้ำเทียนไขก็เอาไปเอาไปไม่หมกักมีแต่ไฟฉายฐานไฟฉายเอาไปคู่เดียวคู่หนึ่งที่เป็นสำรอง จากนั้นก็ใช้ด้วยความระมัดระวังจะไปใช้ส่องตลอดไม่ได้จำเป็นท่านเองถึงจะได้ใช้อันนี้ก็คือโมิขารที่ถือไปด้วยเทียนไขเอาไป 3- าสี่ดอกนนเองแล้วก็จากนั้นก็ไม่ขีดไฟกลักหนึ่งโดยมากจะใช้ไม้นี่นะใช้ไฟแก๊สไม่ใช่ไฟแชท ต, ตัววันนี้นะมีน้ำมันกานะ๊าซใส่ขวดเล็กๆไปด้วย แล้วก็ไฟเวลาขีดชัดออกมานะไฟหินนะ่ะติดน้ํามันกานะ๊าซน่ะอันนั้นนะ่ะคใช้ได้ น, นานห น, น่อยแต่ไม่เอาอันใหญ่นะอันเอาเลือก อ, อันเล็กๆเหมือนกันเพื่อไม่ให้มันหนักในการเดินนั่นแหละพอสามทุ่มแล้วก็นอนหละนอ น, น, อนพอสี่สี่ทุ่มห้าทุ่มนอนไม่หลับเลยได้ไงมันหนาวเออมันหนาวลุกขึ้นมาเลยลกนกมากันนั่งจุกปุก ผ้ามีเท่าไหร่มาพันหมดขนาดถุงบาทจะเอามานุ่งเหมือนกนเถอะเออเอามาใส่สวมเป็นอังสาวนะขอดๆทั้งยาวๆเลยวสวมเข้าไปเลยพันผ้าเข้าไปนั่งขนาดนั้นก็ยังสั่นอยู่เหมือนกันเถอะมันหนาวหนาวจริงจริงเหมือนกันเถอะเอออันนั้นไปออกกอกตู้รงรุ่นใหม่มันเอาไปตอนพอออกมารุ่นเก่าๆนู้นรู้สึกฉลาดขึ้นเลยพอมันหนาวก็หาฝืนก้อนท่อนใหญ่ๆอย่างนันบาต สมข้างๆเหมือนกันเถอะนี่ให้มันให้มันมีไฟโผลงขึ้นมาเอออุ่นเหมือนกันเอะสมัยออกไปใหม่มันยังยั ง, ยงกินกรรมฐานแท้อยู่เหมือนนเะไม่ขยับเลยเออโอ้โหหนาวอย่าพูดใครเลยเหมือนกนเถอะจนถึงสว่างพอถึงสว่างมุ้งก็เปียกกดก็เปียกบ้านีองพอวันที่สองที่สามต่อมาปดกดเอามาคุมเอามาห่มเดี๋ยวนี้พับ พับเป็นมุ้งอะพับมุ้งเลยพับมุงมาห่มมันมันคงจะอุ่นขึ้นมั่งปะโอ้ยทีนี่รู้สึกว่ามันยิ่งมันยิ่งน้ําค้างยิ่งมาเกาะตัวเองอีกที่นี่ยิ่งหนาวขึ้นไปอีกโอ้ยไม่ไไมไดต้องต้องกางโกอดอิคเหมือนกันนั่นนหะอยู่ประมาณสักเกือบสามอาทิตย์นะเกือบเกือบเดือนเหงัอนกันอ่ะไปย้ายไปที่อื่นโอ้อันนี้แหละคือความ ความทุกข์ของความหนาวว่างั้นแหละพอถึงใบสองใบสามโมงรีบอาบน้ําหละรีบอาบน้ําฉันน้ํารวมกันฉันน้พาพอฉันน้ำมีอะไรเอาแยกย้ายกันเดี๋ยวยังกลมภาวนาของไขรของเราเอพอค่าแล้วก็ขึ้นกุฏินั่งภาวนาอพอนั่งภาวนา เ, เสร็จแล้วก็นีน่แหะรีบนอนว่างั้นแหละนอนให้หลับ พอตื่นมาประมาณห้าทุ่มนะเอาล่ะอย่านอนเลยจะคิดนอนเลยแต่นี่เออมันจะแข็งตายเอาลุกมากันนั่งเอนั่งจะทำยังไงมันนั่งเหนื่อยแล้วเอาบาดเอาบาดมาไว้ข้างหน้าเอออเามาไว้มือแต่เราจะฉันอาหารนิดนีงน่ะผลไม้สุกแลเอาเอาคางกายบาดเนี่ยทำมันเหนื่อยมา ก, มากๆไปงั้นเอาแขนต้องไปพาดพอนั่งภาวนา น, นั่งไปมันก็เหนือน่อยใช่ไหมละ่ะ โอ้ไม่ใช่ว่าจะเตรียมตัวนั่งพอนั่งเข้าไปโอ้ไม่ไหวเองเหนื่อยฮแต่จะนอนก็ไม่ได้มันตีนเย็นมันจะเป็นเน็บอะนั่งให้มันสั้นที่สุดเอาผ้าคลุมนี่เนี่ยหลวงพ่อเองเคยประจนมาแล้วเรื่องความทุกข์เกี่ยวกับความหนาวทุกพอสมควรเหมือนกันแต่แต่ตามไม่จริงไปด้วยการมันมีแต่พระมันไม่ไม่มีเนน อเราจะไปดึงเครือเขาเถาวันที่จะไปเอาฟืนเอาไม้มาก่อฟืนก่อไฟมันก็ไม่ได้ก็มีแต่พระด้วยกันต่างองค์ก็ต่างอยู่ภาวนาของใครของเราไม่ได้สนใจอย่างอื่นไปภาวนาเนี่ยไม่ใช่หาไปหาความสุขนะถ้าเราต้องการความสุขจะไปห น, นีจากวัดทําไมอยู่ในวัดไงครูบาอาจารย์มีอันนี้เราไปหาสอแสวงหาความทุกข์ไปเพื่อภาวนาอย่างไงเป็นการ ประมาทตนเองโหลดดูตนเองเป็นยังไงขณะที่ไปภาวนาอยู่ในป่าดงพงไพ่กิจใจเป็นยังไงนี่แหละที่ว่าไปอยู่ตรงนี้แหละมันไม่รู้อะไรกลางคืนมาเหมือนกับหมูหรือหมีก็ไม่รู้นะ่ะมันมากลิ่งก้อนหินอยู่ข้างๆในลางน้ำกนะกกักกึกกักแต่เป็นสัตว์ใหญ่นะ แต่ว่ามันมีไฟฉายที่สว่างที่ไหนะมันมีแต่ไฟฉายเล็กๆอแต่รู้สึกว่าเป็นสัตว์อย่างั้นแต่แต่นึกกลัวไหมก็กลัวอยู่บ้างนว่างั้นแต่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่นแหละที่ว่าไปไปกลัวไอ้ผีกองก่อยในชะ่ไหมแต่ตามจริงจริงมันไม่ใช่ผีกองก่อยนะมันเป็นนกฮูกเอมันเป็นนกฮูกชนิดหนึ่งหน้าเหมือนกับหน้าคนเนี่ยว่างั้นแต่ แต่เวลามันเวลามันงับคอเข้ามาเนี่ยจมูกของมันเน่ะจะงอยปากของมันน่ะเหมือนกับจมูกคนว่างั้นแต่แต่มันไม่มีปากนะมันจมูกมันมันก็เหมือนโค้งๆเหมือนจมูกคนเนี่ยตาของมันก็เหมือนกับตาคนว่างั้นเอ่วันนั้นน่ะมันนี่แหละหนาวหนานอนมันจะชอบร้องเะยตีนเขาดึกสงบเงียบเียไป่ได้ยินสัตว์อื่นสัตว์อื่นเงียบหดว่างั้นแต่ได้ยินแต่อันนี้ไหละไอ้ผีกองก่อยเนี่ยนะเนี่ยมันร้องก้องก้องก้อยก้อย กอยเออมันร้องนะโอ้โหมันรู้สึกว่าอยู่ในป่าลงพงไผ่มันเงียบสงบเหลือเกินเหมือนกันแต่ไอ้ก้องก้อยก้อยก้อยทีนี้มันร้องมาร้องมาที่มันร้องตามลำลาห้วยลำคลองมาไอ้ตีนเขาภูก้อนเนี่ยมันร้องร้องร้องมาทีนี่ไอ้พระองค์หนึ่งที่เป็นเพื่อนกันเหมือนกันแต่ท่านก็นอนอยู่ นอนที่นี่นกตัวนี้มันนกฮูกนี่ใช่ไหมประเภทนกฮูกเนี่ยมันมีนกฮูกมันมีหลายพันเนี่มันมีหลายพันเนี่ยพันใหญ่พันเล็กมันมีหลายพันแต่ที่มันก็มาบินบินมันร้องร้องรมามันก็มาเกาะที่เสาเสาปากกดนั่นไงถ่ะอ่มันมาเกาะที่เสาปากกดแต่นกประเภทนี้มันจะไม่ไม่เกาะเหมือนกับนกประเภทอื่นเนยนกประเภทอื่นมันคือข้าว่านอนไม้คานเนี่ยมันจะจับตรงกลางเลย แนี้มันจะจับเอียงมันก็จับมันก็จับข้างต้นเสาอย่างนั้นอ่ะเออมันจะจับข้างต้นเสาอย่างนั้ น, น, จจนอ่ะ น, น, นกผูกประเภทนี้นะทเทเร่ย์มันก็พอจับเสร็จแล้วมันก็ร้องอะไนี้นเออร้องอก้องก้อยก้อยก้อยไ <laughs> อ้พร ะ, ะองค์เนี่ยทา่านก็เอเออนกผีกองก่อยเนี่ยเป็นรูปเป็นอย่างนี้เองนะฝันมางั้นเถอะเออขนาดว่ า, าวนวกนกมันร้องอยูน่นี่ เีสองโมงเยังตัวเองยังฝันไปอีกเันเถอะเออนลองก้องกอยกอยกอยเออผีกองก่อยนี่เป็นตัวอย่างนี้เองนะเอนันยังฝันอยู่เหมือนกนเถอะทีนี้พอตื่นนมาเอ้ามันจริงๆเิ้เนี่ยเหือนพราะจริงๆทนยตามปกติพระกรรมาฐานเวลาจะนอนนี่ไฟฉายเนี่คือไวเอาไว้ข้างหมอนทีดีเะที่ข้างหมอนที่ที่คว้าได้ง่ายที่สุดเ่หนนเถอะ วางไว้ตรงนั้นนี่จากนั้นมาเกิพอกองก้อยก้อยก้อยคว้าไฟสายปั๊บจับไฟสายเหมือนกันนี่มันจะอยู่ที่ไหนแต่ให้ก็ฟังอีกมันก็เงียบเหมือนกันเหมือนนพอเห็นคนกระดุกกระดิกเด้พอมุ้งก็มุ้งมันบางนี่ใช่ไหมมุ้งบางมันก็เห็นมันคงจะเห็นนั่นแหะมันก็คงจะว่าเป็นหนูหรือเปล่านีพอนกนี่มันชอบกินหนูเด้หนกฮูกนี่กินหนูกลางคืนความับมันเกิดกระดุกกระดิกนมันก็หยุดลอง พอมันลอยอย่าก้องก้อยก้อยป่าเปิดมุปุ๊บสองไฟดวงเงี้ยฟองใส่ด้วยโอเป็นนกหูกเ อ, อตัวบักใหญ่เนี่ยาอันนั้นกันี่กับใหญ่กว่ากำปั้นเท่าสองกำปั้นเนี่ว่า ง, งั้นแต่นกนกตัวนี้นะเออถ้าเอากำปั้นเข้ามาเราเรากำปั้นเข้ามานี่ยใจขนาดสองกำปั้นเนี่ยตัวใหญ่ของมันนะเออตัวสีเหลืองสีลานลานสี เจ้าศีใบไม้แห้งนะ่นะนงั้นแต่เนี่ยพอมันเห็นมันก็ดูพอดูเสร็จแล้วมันก็ดบินขึ้นไปพระแต่พอมันไปแต่เะเลบไปหาเรางัาอ้อนันบอกว่าชานชานชานชานวอะไรไะไปไปไปดูเป็นโนนกผีกองกอยว่างั้นเอาอยู่ที่ไหนลระอยู่ที่นั่นเหอซ่ง <laughs> เราก็งวงเงียลุกขึ้นมาทั้งหนาวกับหนาวใช่ไหมได้ไฟฉายก็จับออกไปดู พอส่องกันว่ามันจับขึ้นไปต้นไม้แล้วนั่นละจุดนั่นหน่อยสิส่องไฟขึ้นไปดูเห็นมันก็ยังจับาข้างๆอยู่เน๊มันร้องยังไงหรอเนี่ยแล้วมันร้องกองกองกอยที่เราได้ยินอยู่ตลอดว่าอแต่ะ่กนเราก็รู้ว่านกผีกองกอยเนี่ยมันมันมันอะไรมันร้องอยู่ในป่าเนี่ยที่สุดก็เลยไปเห็นมันว่าไงก็เลยรู้ได้วเออเป็นนกฮูกชนิดหนึ่งว่างไงแต่นกผีกองกอยเนี่ยนี่แหะ สรุปแล้วก็คือการไปเที่ยวป่าดงพงไพไปภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ไปไปเที่ยวนี่ถ้าเห็นถน น, นแดงเลยหลบเข้าในป่าไปอยู่ในป่าดงพงไพหาภาวนาบ้านนั้นบา้บานนี้บ้างแต่สมัยนั้นก็ยังป่าดงพงไพก็ไม่แตกสรุปผู้พายเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันหาป่าดงยากแล้วแต่สมัยนั้นยังพอมีหลบมีซ่อนอยู่แต่ว่าต่อไปพอต่อมาตัเนี่ยพอไปไปเที่ยวทุรง พอตกหน้าหนาวมาหาถ้าอยู่ได้บัดเอ่อถาว่าเขาว่าถ้าอยู่ที่ไหนแถวนี่มีไม่ ม, มีนั่นนะพอตกหน้าหนาวขึ้นถ้าเลยไปอยู่หน้าในถ้ำเนี่โอ้อุ่นเลยจ้ะเนี่อ่าไม่ไม่หนาวเลยเวลาลงบินทาบตตอนเช้าเนะี่ยพอตกมาตีนเขาท่าเนี่ยโอ้โหหนาวมันอย่าไปพูดใครเลยเอ่างเงี้หนาวแต่ขึ้นไปอยู่ในปนภูเขาไม่หนาวอุ่นนะปแปลกเหมือนกันนะอยู่ในถ้ำเนี่ยอุ่นเลย เพราะนั่นหน้าหนาวนาวี่ไปหาอยู่ในถ้ำดีกว่าแต่ถ้าว่าหน้าร้อนๆเนี่ยลงมาอยู่ใกล้ๆใกล้ๆน้ำใกล้ๆตีนเขาใกล้ๆน้ำอันนั้นจะเย็นสบายมีลมพัดอ น, นั้นี่ละสรุปแล้วก็คือการไปเที่ยวทุโรงไปเพื่ออะไรไปเพื่อหาประสบการณ์ภายนอกส่วนหนึ่ง แล้วก็ไปทรมานจิตใจของตนเองอย่างหนึ่งถ้าว่าเราอยู่ในสถานที่ไม่กลัวใจของเราก็สงนอกคิดเออละเหยลอยลมเลยคิดเรื่อยเปอยไปเรื่อยถ้าเราไปอยู่ในสถานที่กลัวเนี่ยไปอยู่ในสถานที่กลัวนี่มันจิตมันจะไม่สงนอกเลยสติกับตัวเองจะอยู่ด้วยกันไปที่ไหนพุโทโธพุโทโธพุโทโธตลอดเพราะเหตุใดเพราะมันกลัวตาย ถ้าตายไปก็จะให้พลาดท่าเสียทีไงตายกับพุโทโธไเอพอพะเรามาภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปอยู่ป่ารงพงไพท่านภาวนาตลอดเลยไอ้อีกอย่างหนึ่งท่นี่อันนั้นมื่อไร่เขาว่าเป็นเชนแต่ละคนเหมือนกันนะเป็นเช่นแต่ละองค์แต่อย่างหลวงพ่อนี่ถ้าหาว่าเราเดินเข้าไปณนะสถานที่ใดจะเป็นถ้ำก็ตามจะเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่ไหนก็ตามถ้าเดินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่า มันมีความรู้สึกมีสิ่งอันไหนเข้ามากระทบใจเฉดเึกเนี่ยคล้ายๆมันรู้สึกในจิตเลยเอออันนี้มันบอกใครไม่ได้ไม่งั้นเถอะมันมีความรู้สึกตรงนั้นแหละภาวนาดีคล้ายๆว่าถ้าเผลอเข้าไปกับมีอะไรขึ้นมาแบบฝันแบบดุกร้ายอะไรว่างั้นเถอะเออแต่ไตรงนั้นอนะ่ะภาวนาดีมากคล้ายๆว่ามันลุกเวียงระวังอยู่ตลอดเหมือนกับมีอะไรจะเข้ามา สู่ตัวเองอยู่งั้นเถอะอ่อาอ น, นั่นแหะตรงนั้น่ะไปภาวนาหยุดในถ้ำแต่บางแห่งหน่ากลัวน่ากลัวไม่มีเลยไม่มีแต่บางแห่งไปอยู่ที่น่ากลัวน่ากลัวไม่มีแต่บางแห่งนั้นดูดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันมั น, ม, นมันมีสิ่งหนึ่งเข้ามาให้เข้ามาสะท้านสะท้านในใจนั่นแหละตรงนั้นละภาวนาจิตใจจะเข้าสู่ความสงบได้ดีมากนั่นแหะ อันนี้ก็คือการส่อแสวงหาภาวนาของครูบาอาจารย์ในยุคสมัยเก่าแต่ว่าสิ่งว่าสิ่งว่าสถานน่ะคืออะไรอันนั้นเราไม่รู้เหมือนกันและอาจจะเป็นเรื่องของเรากลัวก็ได้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ว่ามันแปลกผิดปกติว่า ง, งั้นแต่แต่มันไม่ใช่จะมีทุกแข่งไม่ใช่บางทีเขาไปอยู่ในถ้ำเนี่ยรู้สึกบางทีไปอยู่ภูเขารู้สึก บางทีไปอยู่ตามป่าดงพงภัยรู้สึกบางทีไปอยู่ป่าช้าในรู้สึกแต่บางป่าช้าไม่มีนะมันเป็นยังไงไม่รู้มันมันมันรู้สึกในความรู้สึกของอืของเราของเราเองแต่ว่าถ้าว่าไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นแล้วใจยังไม่ส่งไปข้างนอกใจสติจะจะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเตรียมท่าเตรียมทางระเวังระ ว, วังอยู่ตลอด ถ้าไปอยู่สถานที่อย่างนั้นนะ่ะได้กําลังจิตใจในประวัติได้กําลังเพราะนั้น เ, เรื่องเราจะไปภาวนาตรงไหนอย่างไรแต่ว่าให้สติอยู่กับตัวเองอย่าให้มันเผลอพังไปออกไปข้างนอกยืนเดินนั่งนอนกับพอถึงกุฏิตัวเองกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งอยู่ตลอดให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดนั่นละ่ะจะมีคุณค่า จะส่งคุณค่าจะมีคุณค่าอย่างมากในการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติถ้าว่าจิตใจส่งปุงฟุ้งออกไปข้างนอกแล้วหมดสภาพนะผลที่สุดก็ว่าเวอ้างว่างเงียบเหงาเศร้าซึมก็จะเข้ามาหาตัวเองแต่ถ้าว่าภาวนาสติอยู่กับตัวเองจิตใจมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันจะเศร้ามันจะซึมไปทำไมเพื่ออะไรจิตใจของเราจะ เข้มเข้มแข็งขึ้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะตั้งอกตั้งใจภาวนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาพวกเราจะประสบพบเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราใจของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นไปเรื่อยเรื่อยรู้เรื่องตัวเองขึ้นไปเรื่อย สติของเราจะเข้มแข็งไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นในธรรมก็จะเชื่อขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เราเชื่อพระพุทธเจ้ามันเลยเชื่อที่อืน่นนะเชื่ออยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าสอนที่ใจสมาธิพระพุทธเจ้าสอนลงที่ใจแม่สอนไปที่อื่นเพราะฉะนั้นเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยฝังลึกอยู่ที่ใจพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้น การบําเพ็ญจิตภาวนาเนี่ยตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าตามตามแนวแถวของพระแม่กูบา้านท่านสั่งสอนมาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้แล้วฝังหลักลึกนะฝังลึกอยู่ในจิตใจของแต่ละคนถอนไม่ขึ้นเหมือนกนเชื่อเอชื่อในคุณงามความดีเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในบุญในบาปเชื่อเราตายแล้วเกิดแน่นอนตายแล้วไม่สูญเหมือนนเะตายแล้วเกิดเหมือนกนเะ เพรสิ่งให้เกิดมันรู้แก่ใจตัวไหนาพาเกิดอตัวไหนไม่ตายร่างกายเนี่ตายสูงแน่นอนไปเพราะก็เป็นกระดูกแน่ๆนกแต่ใจเนี่ยไม่ได้นมามธรรมตัวนั้นไม่ตายพรอพูดไอ้เจ้าท่านเน้นหนักเน้นหนักเรื่องนมามธรรมท่านไม่เน้นหนักเรื่องกายไล้รูปร่างกลางตัวเป็นยังไงก็เป็นมาอย่างนั้นแต่ว่าใจเนี่ยขัดดัดได้จะให้คนโง่คนฉลาดเนี่ยใจ ไปภาวนากับเพื่อชําระใจตัวเองนั่นแนหะไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ชาระกายเลยไปอยู่ปลารงพงไปกับเพื่อชําระใจดูใจของตัวเองใจมันคิดเรื่องอะไรใจมันปุงฟุ้งซ่านอะไรนะแต่ทางว่าคนขี้กลัวก็อย่างว่านะไปสถานที่อะไรก็ยิ่งกลัวตะเลเิดเปิดเปิงทําแตกเลยอย่างนั้นแนตะแบกกฎหนีกลางคืนเลยมีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้ถ้ากรรมฐ า, านแล้วต้องสู่ตายเป็นตายมันอยู่ที่ไหนมันก็ตายทั้งหมดนั่นแหะ ไปอยู่ดินฟ้าอากาศอยู่โลกประทิตประจันต์กระตายทั้งหมดไปกลัวทำไมถึงจะ ก, กลัวแล้วไม่กลัวมกระตายอย่างเก่านะ่มันเด็ดถึงขนาดนั้นอยู่ที่ไหนก็เอาเถอะ ท, ทีนี่นะหพวกเราให้เด็ดเดี่ยวนะเชื่อมั่นนะในคุณงามความดีนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร